บทที่สเรื่องไตรลักษณ์พุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่55อ่านโดยอริยคุณชมรมพลดีขออนุโมทนากับเจ้าภาพผู้ร่วมจัดทาทุกท่านและรวมถึงท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้พนอมรักเพศเสถียรทวีช่างพินิษสาโรธอัจยาสมบูรณ์ มาลีลิมมาดันครอบครัวหยองเอ็นครอบครัวทรงพลสุชาดาวิมลสัจจารักษ์เรืองศรีรักใครสุเทพศิริสิริวันยังวิริยากุลสิงห์ทองเหลืองเจริญกิจชนทิชาโภคาพาณิษวารินวัฒนายืนยงบุษดีวัฒนายืนยงครอบครัวเจสดาวัดพันธกรบัวประเสริฐรสกรกุลเพิ่มทวีรัตจิรพร์เชี่ยวเลื่อนพินิตอุทัยวัฒนานิชามาสโสภา สิรลักษ์อิโนอรอบรัวยวงสุวรรณรอบครัวอมรวิจกิจเวชาร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จากเครดิตท้ายเรื่องและในส่วนของรายละเอียดทุกช่องทางที่ชมรมพลดีเผยแพร่นะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในมหาธรรมทานนี้ร่วมกันสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง